ลองทำด้วยเราลองว่าไม่โกหกหมดเท็ศที่สุดได้คำสอนของพระพระทุทธเจ้าถ้าเป็นสัธจธรรมน่ยไม่มีคำถามมีแต่คำตอบเวลาใดที่เราลู้สึกตัวเราต้องถามใครไหมว่าเราลู้สึกตัวหรือเปล่าเป็นปัจจัดตังเป็นของใครของเรา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 เรื่องก็เป็นปัญหาวนหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งหลงไปอย่างหนึ่งอันท้เราไปความรู้สึกตัวเน่เราจงมาพิสูจน์เรื่องนี้กันแล้วสิ่งที่เรารู้ก็มีจริงจริงเข่นกายเข่นมือนี่นะมันก็มีจริงๆริงมันเป็นวัตถุที่สัมผัสได้เป็นปัจจัตตังทำไมเราจึงต้องมาสร้างเป็นรูปแบบเป็นจังหวะ ก็เพราะว่าชีวิตของเรามันไหลมันไหลไปข้างหน้ามันไหลคืนข้างหลังมันเป็นมานานแล้วโบราณท่านจึงว่ากลางคืนว่าฝันกลางวันไหวคิดไหลไปข้างหน้านไหลคืนข้างหลังไม่มีปัจจุบันเป็นที่อยู่บาทีโบราณท่านจะว่าคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนชราคิดคืนข้างหลัง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 เาวิชาชีพของเขาท่านจึงเปรียบสังขารเหมือนในช่างปั้นหม้อในช่างปั้นหม้อปั้นอยู่งั่นแหละแต่ว่าปั้นแล้วหม้อจะเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กลูกสวยลูกไม่สวยก็แตกเท่านั้นผิดผลของสังขารที่เกิดจากการปรุงปรุงแต่งแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงมันไมน่มันเป็นทุกข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 ตรงที่มันคิดไปข้างหน้าคิดไกลข้างหลังแล้วกลับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันกับมาตั้งกับปัจจุบันให้รู้ไปพร้อมๆกันตะแคงมือก็รู้ตะแคงมือพร้อมกันยกก็รู้ยกแล้วก็เลยเป็นของเก่งเป็นปัจจุบันเห็นกับตาเห็นกับใจทํากับมือแต่หยุดความคิดก็หยุดได้กับมือของเรา ต่อไปจะหยุดความทุกข์หยุดความโกรธหยุดความโรคหยุดความหลงหยุดตารกรุงแต่งๆได้หรอว่าคลุมความรู้สึกตัวเป็นตัวคลุมกาเนิดของสังขารการตัดจรูกของพระพุทธเจ้าก็คือสมุทยัยประทุกเราก็สมุทยัยนิโโลดพักมันก็อยู่ในวงนี้แหละเราทำอะไรนะแล้วก็เห็นทันที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 การที่ถูกหลอกเก็ต้องได้บทเรียนการที่สังขารทั้งหลายที่มันหลอกเราดนะเราก็ได้บทเรียนจากสิ่งนั้นเวลามันหลงเนี่ยได้บทเรีย น, ไ ด, ยนได้ประสบการณ์ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรูนะ้นั่นเนี่ยบทเรียนที่ที่หาไม่มีต้องต้องได้จากตัวหลอกไม่ใช่พิสูจน์อะไร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 ไปอไรก็ตามกลับมาลูบสึกตัวกลับมาลูบสึกตัวการกลับมาลูบสึกตัวเนี่ยตัวนี่แหละภาวนาคือพัฒนาแลกลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆตัวนี้เป็นตัวพัฒนาทําให้ดีขึ้นทําให้เจริญขึ้นท่านเรียกว่าพอวิตาพระหูดีกตาสังวัตตันติทำให้มากเจริญให้มากให้รู้สึกกลับมากลับมากลับมา มันเห็นนันเก่าเห็นดันเก่าเห็นดันเก่าอาจจะเป็นความหลงเป็นขั้งสุดท้ายป็ะดันแต่บางทีหลงเพิี่ยมก่อมันก็ไม่ไม่ทันหรอกแต่หลงไปหลงมาหลงกับความคิดหลงมากขึ้นมากขึ้นมราก็ลู่มากเข้ามากเข้ามันทันก่าหรือว่าจะเอะกันคนหนึ่งจะออกประตูคนหนึ่งก็พบประตูอยู่ันแล้วจะเอะกัน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 จนพระพุทธเจ้าจะว่าเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เห็นวิธีที่จะทําเหตุนั่นให้ไม่ทุกข์ดรวยว่ามรรคเมื่อมาทำองค์มรรคแล้วมัน ก, ก็พ้นในโลดพ้นไปพ้นยากอะไรพ้นจากทุกข์พนจากโกรธพ้นจากปัญหามันก็เป็นปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยมันเป็นปัญญาสังขารคือกายสังขารจิตตสังขารแล้วก็เห็นบทเข้าแถวให้เราดูแล้วมันก็มีอารมณ์มีสูตรอยางที่พูดให้ฟังวันก่อ น, อนว่ากายานุปัสนาเป็นสูตรของกายเวทนานุปัสนามันก็มีอยู่ในกาย กายที่ต้องร้อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็นอะไรต่างๆเราเรียกเป็นสูตรของเขาเห็นว่าเทจของกิ่งของเขาก็เลยเป็นปัญญาแต่ก่อนเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์เอามาเป็นเรื่องชอบเอามาเป็นเรื่องไม่ชอบเราเอามาเป็นเรื่องยินดียินร้ายของอย่างเดียวชอบของอย่างเดียวไม่ชอบอย่างนั้น พอมาเห็นแจ้งแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเห่นแจ้งมันเข้ามันเข้าไม่ถึงความชอบไม่ทอบมันเห็นก็จบแล้วพบเห็นมันจบไปแล้วการพบเห็นมันเห็นต่อหน้าต่อตามันจบไปแล้วคำว่ายินดีคำว่ายินไล่มันจะไม่มีไม่มีถึงกับเป็นอุปาทานไปยึดเอาไปยึดเอา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 ความรักไม่แผลควาชังไม่แผลความจิตความถูกไม่แผลความโลภความโกรธความลหลงวางคนก็เป็นจริตนิสัยลาคาจริตโทสะจริตโมหาตจิตการมาเจริญสตินี้เหมันก็มาซ่อมซ่อมชีวิตให้มันดีให้มันมา่สถานเข่าอู่ซ่อม พอมันลงทเทไรลู่สึกตัวซ่อมขึ้นมาลงไปทางไหนลู่สึกตัวซอ่อมแล้วซอกแล้วแล้วก็โดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเป็นของที่พัฒนาได้อย่างยอดเยียบอย่างยอดเยียบเหมือนกับเมื่อเช้านี่หลวงพ่อพูดว่าบ้านของจิตคือภาวะความปกติในเหมือนบ้านของกาย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 แต่ว่านของจิตคือแปลว่าความปกตินี่ไม่ต้องซ่อมถ้าจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจิตตัศฐิยะติโลโกจกิตตังทันตังสุขวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์มันจะอดเพื่งพาอาศัยได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกนี่ยออกหน้าออกตารับรับอะไรทุกอย่างออกไปรับอะไรก็ถึงจิต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 ไม่วันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเราก็เพิ่งเราได้แต่ถ้าเราไม่มีชีวิตเข้าถึงภาวะปกตกิเราก็ไม่มั่นใจชีวิตจิตใจของเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรข่มลายคมดีปูปูแปร่แปร บ, บ, บางคนราจจะพูดว่าฉันไม่มั่นใจฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนั่นอันตราย ทำไมจึงปล่อยปะและเลยปล่อยเท่งไว้อย่างนั้นมันก็อยู่กับเราทำไมไม่ฝึกหัดไปอยู่ตรงไหนกันไปเละเทะไปเลวทรามอะไรเที่ยนไหนจนพึ่งจิดไม่ได้ปล่อยปะแล้เลยเราจึงจาเป็นต้องฝึกทำไมต้องฝึกก็เพราะเหตุนี่แหละถ้าเราไม่ฝึกก็เป็นพิษนะ